ปาจิตติยากันว่าด้วยอาบัติปาจิตติที่ไม่ต้องสละสิ่งของโภชนะวักวักว่าด้วยการฉันอาหารเป็นวัคที่ 4, สี่มีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งโภชนะวัคในปาจิตติยกันห้ามฉันอาหารในโรงพักเดินทางเกินหนึ่งมือ้อ ภิกษุฉัพักคีไปฉันอาหารในโรงพักเดินทางที่คณะเจ้าของเขาจัดอาหารให้เป็นทานแก่คนเดินทางที่มาพักแล้วเลยถือโอกาสไปพักและฉันเป็นประจำเป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุพึงฉันอาหารในโรงพักเพียงมื้อเดียวถ้าฉันเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีภายหลังทรงผ่อนผันให้ภิกษุไข้ ซึ่งเดินทางต่อไปไม่ไหวฉันเกินมือเดียวได้สิกขาบทที่สองโภชนวัคในปาจิตติยากันห้ามฉันอาหารรวมกลุ่มพระเทวทัตเสื่อมลาบสักการะจึงต้องเที่ยวขออาหารเขาตามสกุลฉันรวมกลุ่มกับบริษัทของตนมนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุฉันอาหารรวมกันต้องอาบัติปาจิตตีภายหลังทรงผ่อนผันให้เมื่อเป็นไข้เมื่อถึงหน้าถวายจีวรเมื่อถึงคราวทำจีวรเมื่อเดินทางไกลเมื่อไปทางเรือเมื่อประชุมกันอยู่มากๆเมื่อนักบวชเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร การฉันอาหารเป็นคณะในที่นี้หมายถึงสี่รูปขึ้นไปสิกขาบทที่สโภโชนะวักในปาจิตติยากันห้ามรับแล้วไปฉันอาหารที่อื่นสำหรับสิกขาบทนี้เกิดจากกรณีที่จะทำให้เจ้าของบ้านที่นิมนต์เสียใจว่าเขาเลี้ยงไม่อิ่มหรืออย่างไร กรรมกรผู้ยากจนคนหนึ่งนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันที่บ้านภิกษุทั้งหลายไปเที่ยวบินธบาฉันเสียก่อนคืออาจจะเกรงว่าอาหารเลวหรือไม่พอฉันเมื่อไปฉันที่บ้านกรรมกรคนนั้นจึงฉันได้เพียงเล็กน้อยเพราะอิ่มมาก่อนแล้วความจริงอาหารเหลือเฟื่อเพราะชาวบ้านรู้ข่าวเอาของไปช่วยมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารรายอื่นก่อนภายหลังทรงผ่อนผันให้ในยามเจ็บไข้ในหน้าถวายจีวรในคราวทรรมจีวรหรือมอบให้ภิกษุอื่นฉันในที่นิมนต์แทนสิกขาบทที่สี่ โชนนวักในปาจิตติยะกันห้ามรับบิณฑบาตเกินสามบาทมานดานางกานาทำขนมไว้จะให้บุตรีนำไปสู่สกุลแห่งสามีภิกษุเข้าไปรับบิณฑบาตแล้วกลับบอกกันต่อไปให้ไปรับนางจึงต้องถวายจนหมดแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามที่ทำขนมก็เกิดเรื่องทำนองนี้ จนบุตรีของนางกานาไม่ได้ไปสู่สกุลสามีสักทีทำให้เกิดความเสียหายแก่บุตรีของนางพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเข้าไปสู่สกุลถ้าเขาประวารณาด้วยขนมหรือด้วยข้าวสัตว์ปุผงเพื่อนำไปได้ตามปรารถนาพึงรับเพียงเต็มสองถึงสาบาทถ้ารับเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีทางที่ชอบ ภิกษุรับสองถึงสาบาทแล้วพึงนำไปแบ่งกับภิกษุทั้งหลายหมายเหตุข้าวสัตตุผงคือข้าวตาที่ตําละเอียดสิกขาบทที่ห้าโชนาวัต์ในป่าจิตติยากันห้ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต์เสร็จแล้วภิกษุรับนิมนต์ไปฉันบ้านพราหมณ์คนหนึ่ง แล้วบางรูปไปฉันที่อื่นหรือไปรับบินทบาทอีกพรามตีเตียนแสดงความน้อยใจพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุฉันเสร็จแล้วบอกไม่รับอาหารที่เขาเพิ่มให้แล้วเคี้ยวหรือฉันของเคี้ยวของฉันต้องปาจิตตีภายหลังทรงอนุญาตให้ฉันอาหารที่เป็นเดนได้หมายเหตุ คำว่าเดนในทางศาสนาพึงแยกว่าเป็นคำแปลของคำบาลีสองอย่างคือหนึ่งหมายถึงของเศษของเหลือจากที่กินที่ใช้และสองแปลว่าส่วนเกินเหลือเฝือ่อเกินใช้หรือเกินต้องการสิกขาบทที่6โโชนาวัค์ในปาจิตติยากันห้ามพูดให้ภิกษุที่ฉันแล้วฉันอีก เพื่อจับผิดภิกษุรูปหนึ่งรู้ว่าภิกษุอีกรูปหนึ่งฉันในที่นิมนต์เสร็จแล้วแกล้งแค้นใครให้ฉันอาหารอีกเพื่อจับผิดเธอตามสิกขาบทที่ห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทาเช่นนั้นสิกขาบทที่เจ็ โชนนาวัคในปาจิตติยากันห้ามฉันอาหารในเวลาวิการภิกสุพวกส7เจ็ดฉันอาหารในเวลาวิการพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกสุผู้ฉันอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงไปจนรุ่งอรุณสิกขาบทที่8โฉนนาวัค ในปาจิตติยกันห้ามฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนพระเวลัสทศีสะเก็บข้าวตากไว้ฉันในวันอื่นพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสิกขาบทที่เก้าโชนาวัคในปาจิตติยกัน ห้ามขออาหารประนีตมาเพื่อฉันเองภิกษุชพขีขออาหารประนีตคือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มหรือนมเปรี้ยวมาเพื่อฉันเองเป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทำเช่นนั้นเว้นไวแต่อาภาร สิกขาบทที่สิบโภชนาวักในปาจิตติยากันห้ามฉันอาหารที่ไม่ได้รับประเคนพิกษุรูปหนึ่งไม่ชอบรับอาหารที่มนุษย์ถวายจึงไปถือเอาเครื่องเส้นที่เขาทิ้งไว้ตามสุสารบ้างตามต้นไม้บ้างตามหัวบันไดบ้างมาฉันเป็นที่ติดเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ฉันอาหารที่เขาไม่ได้ให้คือไม่ได้ประเคนเว้นไว้แต่ น, น้ำและไม้สีปัน่น